ทีนี้ต่อไปอเมื่อจะทําอุโบสถเนี่ยนะพระประเจกกับพุทธเจ้าจะประชุมกันที่รัตนามาลาโคนต้นไม้มันชุสะในภูเขาคันธมาสนี่แหลนะก็ทํําทาบุญให้ถึงให้พอแล้วก็ไปเยี่ยมสถานที่พระปัเจกกับพระพุทธเจ้าอยู่กันเนาะแค่ที่พระพุทธเจ้าอยู่ก็ไม่ค่อยจะได้ไปเลยนะที่พระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้นิพพานก็ขอให้ได้ไปเถอะนะก็เอาละ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 เป็นต้นว่าสัพเพสุภูเตสุนิทายะธันดังใ น, น, นพูดถึงประวัติของพระปัจเจกพระพุทธเจ้าเนี่ยนะ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 คตะปัจจาคตวัดเนี่ยนะบางท่านก็แปลว่าวัดในการกลับไปกลับมานันแปลไปเรื่อยนี่ย้อนกลับมาว่าขคตะปัจจาคตะวัเนี่ยนะที่สำคัญเนี่ยเขาศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเต็มเปี่ยมยนะเข้าใจพระไตรปิฎกดีอยู่แล้วคเ ข, ข้าใจคำสอนเข้าใจข้อปฏิบัติเป็นอย่างดีแล้วมาเจริญกรรมฐานบริหารกรรมฐานอย่างต่อนเนื่อง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 แม้กระทั่งพระมหาสาวกก็เหมือนกันนะถ้าที่อื่นเน่นบอกเลยว่ามหาสาวกทุกองค์เช่นพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะเป็นต้นท่านเหล่านั้นก็ประพฤติขตะปัจจาคตะวัดเหมือนกันในในอัตถคถาเถรคถาท่านบอกไว้อย่างนั้นภิกษุในศาสนานี้ น, นะกลุ่มกลมกลมุ่มเกี่ยวกับเรื่องวัดนี่มีอยู่สี่กลุ่มหนึ่งบางรูปนําไปแต่ไม่นํากลับบางรูปนํากลับแต่ไม่นําไปบางรูปไม่นําไปไม่นํากลับบางรูปนําไปและนํากลับ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 ถามปัญหาบางทีก็ไม่ใช่ปัญหาเริยสัตว์อะไรหรอกนะเรื่องลูกเรื่องร้านเรื่องบ้านเรื่องช่องเรื่องสรารพัดเรื่อ ง, เ, องเลยนะก็เลยทิ้งกรรมฐานเลยมัวแต่แก้ปัญหาคุยอยู่ฟุ้งซ่านคุยไปคุยมาบางทีก็แสดงธรรมแสดงไปสลับกับเรื่องอื่นก็เลยฟุ้งซ่านแต่ถ้าจริงๆเนี่ยผู้ที่ประพฤติวัดอันนี้ไม่ใช่ว่าห้ามเจริหห้ามห้ามแสดงธรรมไม่ใช่นะท่านให้แสดงธรรมด้วยแต่ทีนี้ว่าเรื่องอื่นมันเข้ามามันหนักกว่าเรื่องกรรมฐานเรื่องธรรมะก็เลยไปแต่เรื่องอื่นหมดเลย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 ก็นอนในปัจฉิมยามก็เลยไม่เจริญกรรมฐานอะไรเลยที่สูนี้เรียกว่านําไปแต่ไม่นํากลับแปลว่ามีเวลาปฏิบัติตั้งแต่ประมาณตีสี่จนถึง8ปดเก้าโมงหลังจากนั้นว่างตลอดว่างจากกรรมฐานนะแต่ทํางานสเพลียเลยนะทางานเรื่องอื่นสนใจเรื่องอื่นทำจนเน็ดเหนื่อยเลยเพลียเลยกลับนอนดีกว่าพวกนี้แค่ว่านําไปแต่ไม่นํากลับอย่างพวกที่สองก็คือพวกใดนี่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 เดี๋ยวจะไปดูใหม่พวกที่สมกลุ่มที่สมภิกษุใดอยู่ด้วยความประมาทแปลว่าทําตัวเหมือนไม่ตายาทอดทิ้งคันธะธุระวิปัสนาธุ ร, ธรแะแต่ทิ้งธุระหมายความว่าไม่สนใจคันธะธุระวิปัสนาธุระทำลายวัดปฏิบัติทุกอย่างฟรีสไตล์ทําอย่างที่ใจอยากทำํำโลภะมันบอกก็ทาํานําโลภะมันสั่งอะไรเนี่ยนะโลภะโทสะโมหะมันแนะนํายังไงก็ปฏิบัติตามนั้นหมดเรียกว่าทําลายวัดทุกอย่าง มีจิตพัวพันไปด้วยเจโตวินิพันธะห้านะจริงๆเขาแบ่งเป็นสองกลุ่มนะเจโตวินิพนิพันธะกับเจโตขีละเจโตวินิพันธ์เนี่มีห้าเจโตขีละนี่มีห้านนะเครื่องผูกพันใจหประการกับตะปูตรึงใจหประการก็เจนะโตวินิพันธ์ก็คือมีจิตใจหมกมุ่นในติดในรูปติดใน ติดในกามติดในกายติดในรูปเป็นผู้ที่ชอบนอนแล้วก็สุดท้ายก็คือทําบุญและปรารถนาอยากเป็นเทวดาอย่างเดียวแล้วก็พวกเจโตขีละหาก็สงสัยในพระพุทธสงสัยในพระธรรมสงสัยในพระสงสงสัยในศีขาสุดท้ายก็มโมแต่ทะเลาะกันเองแปลว่าอะไรนะละบ้านละครอบครัวละอะไรละได้หมดนะแต่ว่าสละเรื่องทะเลาะกันเล็กๆน้อยๆละไม่ได้เพราะงั้นโมแต่ทะเลาะกัน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 ส่วนกลุ่มสุดท้ายพักก่อนดีกว่า